4.9 การที่จิตแยกออกจากอารมณ์และไม่เข้าไปรวมกันอีกเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีวงเล็บเปิด30มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที15วงเล็บปิดหลวงพ่อวันแรกที่ไปเรียนกับหลวงปู่ดูล น, นะเรียนเสร็จแล้วนั่งรถไฟกลับมากรุงเทพนั่งดูมาเรื่อยๆดูยังไม่เป็นหรอกพอถึงกรุงเทพนะจิตกับอารมณ์มันแยกกันแวบเดียวเท่านั้นแวบเดียวเรารู้ทางเดินต่อแล้ว ตอนที่ฟังท่านบอกให้ดูจิต ด, ดูจิตนะดูมาเรื่อยไม่รู้ว่าไปอย่างไรหรอกให้ดูก็ดูเอาพอดูไปดูไปพอมาถึงกรุงเทพจิตมันแยกออกจากอารมณ์แยกพึบออกมาแล้วก็เข้าไปรวมกันอย่างรวดเร็วเลยเรารู้ทางเดินต่อเลยมาดูต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งแยกออกมาไม่กี่นาทีหรอกพอแยกออกมาแล้วก็เข้าไปรวมอีกเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่ง มันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่มันแยกไม่เข้าไปรวมกันอีกแล้วตรงที่มันแยกแล้วไม่รวมกันอีกเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะที่ไหลไปรวมอีก